ตอนขันห้าวันที่7กุมภาพันธ์2558กราบนมสการพระคุณเจ้าสามเณรคุณเม่ชีกัลยาณมิตรทุกคนนะ mm hmm. ก็นั่งสมังสบายนะเหมือนเดิมทุกคืนวันเสาร์ mm hmm. ก็วันนี้พระครูต้องไม่ต้องหาอารมณ์นะก็มีคำถามสามสี่คำถาม อ, อื่นคำถามแรกก็เกี่ยวกับเรื่อง วิชาการทางพุทธศาสนานะก็ถ้าในวิชาการแล้วเนี่ยพรอครูไม่แสดงความเห็นนะก็ไปดูวิชาการมาแล้วก็เรียบเรียงให้เข้าใจง่ายๆถ้าไปอ่านทั้งหมดเลยมันจะสับสนนะเดี๋ยวพูดเรื่องนี้ไปโผล่เรื่องนั้นพวกนั้นนี่มันเพราะว่ามันลิงก์กันหมดนะทุกอย่างธรรมะไม่มีไม่แต่หนึ่งอย่างที่มันไม่เชื่อมโยงประสานกัน นะถ้าอ่านก็ต้องอ่านองค์รวมทั้งหมดถ้าเราดูแค่เรื่องเดียวเนี่ยมันจะสร้างความสับสนนะเพราะที่พระครูบอกภาษามันหยาบเกินไปที่จะอธิบายความจริงนะมันเป็นแค่ความเห็นนะก็ในเมื่อถามมาจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยรู้ก็ได้ไม่ต้องรู้ก็ไม่เป็นไรเนื่องจากบางคนเนี่ยเขาติดตัวรู้เขาคุ้นเคยกับว่าถ้าเขาไม่ได้รับคาตอบที่มีเหตุมีผลเขาก็ไม่ศรัทธาเขาก็ไม่อยากปฏิบัติ นะก็บางครั้งก็ใช้บ้างนะใช้แค่พอดีนะอย่าไปหลงความรู้เหล่านี้มากข้อแรกคือขันห้าคืออะไรนะขันห้าคืออะไรนะก็เมื่อกี้พระครูเดินมาทุกคนทำวัดเย็นนะผู้เจ้า บ, บอกว่าเราจะไม่สร้างเรือนอีกต่อไปไอ้บ้านหลังนี้เราทำลายมันแล้วนะมันก็เกี่ยวเนื่องกับขันห้าด้วยนะ แล้วก็ขันห้าคืออะไรจะดับขันห้าได้อย่างไรนะก็เป็นคําถามที่เป็นคําถามที่อยากรูนะ้ก็ต้องถามไปอีกว่าดับขันห้าแล้วได้อะไรนะคือเราได้ยินว่าดับขันนะดับขันห้ามันก็ดีดีอย่างไรมันได้อะไรนะทีนี้ทางพุทธศาสนานั้น เขาจัดระบบร่างกายเราเนี่ยร่างกายหรือที่เราเรียกว่าสรีละกายเนี่ยเป็นกองกองเป็นขันซึ่งมีอยู่ห้ากองซึ่งเรียกว่าขันห้าหรือหรือเบนจขันนะอันนี้เป็นภาษาวิชาการเขาเขียนไว้นะก็มีรูปขันเวทนาขันสัญญาขันแล้วก็สังขารขัน อันสุดท้ายคือวิญญาณขันซึ่งเรียกสั้นๆว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทีนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยคือรูปรูปขันเนี่ยมันเป็นรูปประธรรมนะเป็นรูปประธรรมส่วนเวทนาสัญญาสังขารเนี่ย สามอย่างนี้เป็นเจตสิกซึ่งเป็นนามธรรมานะอันแรกอย่างเดียวเท่านั้นเป็นรูปธรรมส่วนสามอย่างนี้เวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเป็นเจตสิกไม่ใช่เรื่องจิตนะเป็นตัวอารมณ์ของจิตนะเป็นสิ่งที่จิตทำอันนี้คือเป็นนามธรรมาแล้วตัวสุดท้ายคือวิญญาณขันเนี่ยในตําราเขาเขียนว่าเป็นจิตพวกครูเข้าใจ แต่ถ้าเราว่าเวทนาไอ้วิญญาณขันเนี่คือจิตก็คือนามมาทำเหมือนกันแต่เขาบอกว่าเป็นจิตเนี่ยสำหรับพ่อครูเนี่อันนี้เติมไปหน่อยไม่ใช่วิชาการนะถ้าพูดถึงจิตปุ๊บมันกว้างไปเราจะเข้าใจผิดด้วยอันนี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งพ่คูจะแสดงไม่ใช่ความเห็นความจริงที่พ่คูสัมผัสว่าพ่อครูสัมผัสว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรกันแนะ่ใช้ภาษาพูด เข้าๆให้จับต้องได้นะก็ดังนั้นเบญจขันธ์จึงจัดเป็นรูปประธรรมและก็นามมาทำนะไม่มีอะไรในส า, นากลจักรวาลนี้ยุนไม่อยู่ในรูปกับกับนามเป็นแค่สองอย่างนะที่เราปฏิบัติวิปัสสนาปฏิบัติแนวไหนกระชัางเพื่อให้เห็นความเกิดดับของรูปนามซึ่งมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เราเอารูปนามตัวไหนก็ได้มาเป็นฐานที่ตั้งแห่งการเจริญมรรคจิตหรือเจริญสตินี่ได้หมดที่พรอครูเคยบอกว่าสุนัขมันเดินมาตัวหนึ่งเข้ามาในศาลาเนี่ยเขามาฉี่ที่นี่เขามาอึอใส่ที่นี่แล้วมันก็เดินหนีบางคนโกรธมันมากไปตีมันชั้นบูชาทำความสะอาดแล้วเนี่ยไปตีมันแทนที่จะได้บุญเนี่ยสร้างกรรมด้วยเพราะปิดเป็นรังแกมัน เออแทนที่จะบอกเขาดีๆลูกไม่ใช่ที่เราฉี่เราเออละไปไปฉี่ตรงนั้นแล้วเรารีบเช็ดเดีบกวาดซะเห็นไหมสุนัขมันทําให้เราได้ทําบุญได้แต่ถ้าเราไม่ทันปุ๊บเนี่ยเราก็ไปตีมันไปสร้างกรรมแล้วสุดท้ายมันก็เปื้อนเหมือนเก่าอสุนัขมันเอืันฉี่แล้วเรานั่งพิจารณาเนาะเออฉี่ทาไปทํามามันเป็นของเหลวปุ๊บมันเป็นอากาศธาตุมันหายไปนะไอเอืของมันเนี่ยจากเป็น ก้อนเปียกๆแล้วมันก็แห้งสักพักหนึ่งนั่งอย่าหยุดนะนั่งดูมันนะั่นนะมันก็กลายเป็นเป็นผงๆนะมันก็เปลี่ยนย่อยสลายออกมาเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของมันนะเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของมันเราเห็นความจริงแล้วอันนี้คือทีนี้คี่เขาบอกว่าเบญจขันเนี่ยจึงจัดเป็นรูปประธรรมแล้วก็นามธรรมา หรือเทีย้เรียกว่ารูปนามส่วนที่เป็นรูปประธรรมจึงเป็นธรรมที่มีความหมายไปถึงรูปกายหรือสรลีละกายส่วนนา ม, มาธรรมก็เป็นธรรมที่มีความหมายไปถึงนา ม, มากายหรือที่เราเรียกว่าทิพยากายจริงเนาะในตัวเราเนี่ยที่ผู้เจ้าตัดเรื่องกายสามเรามีสามกายนี่ซ้อนกันอยู่ อันข้างนอกเรียกว่าสลีลากายที่เรามองเห็นด้วยตาเนื้อนะสัมผัสด้วยประสาทสัมผัสต่างๆส่วนลึกเข้าไปอีกมันมีทิพยากายนะที่เราเรียกว่ากายทิพนั่นแหละทิพยากายทีนี้ที่มันซ้อนอยู่ในทิพยากายอีกมันมีธรรมกายไม่ใช่ทฤษฎีที่เขาสอนกันอันนั้นเป็นเทคนิคอะไรเขาสอนแต่คำว่าธรรมกายตรงนี้เนี่ยเป็นกายบริสุทธ เป็นจิตเดิมแท้ซึ่งเป็นประพัดสอนนะนี่นเขาเรียกว่าหลักกายสามส่วนตอนนี้เขาพูดคร่าวๆว่าตอนนี้ไอ้เรื่องรูปนามตอนนี้พูดแค่ว่ารูปกายหรือสรีละกายแล้วก็ส่วนที่เป็นนา ม, มาธาทำเนี่ยมีความหมายถึงนา ม, มากายหรือเป็นทิพยากายนะทีนี้รูปขันเนี่ยทางวิชาการก็ พูดว่าได้แก่ร่างกายและอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งปวงประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้งสี่นะคือดินน้ำลมไฟซึ่งเป็นสสารที่มีพลังงานตามธรรมชาติถูกปรุงแต่งให้เหมาะสมถูกสัดส่วนและอาศัยซึ่งกันและกันนะเราประกอบด้วยดินน้ํามลมไฟธาตุทั้งสี่เนี่ยทำให้ความศรีรากายมันเกิดขึ้น ศรีรากายมันเกิดขึ้นจากธาตุทั้งสี่ทำให้รูปกายทรงอยู่ได้และเหตุที่ก่อตั้งให้เกิดรูปขึ้นได้มีอยู่สี่ประการคือเหตุที่เกิดรูปขึ้นได้มีสี่นอกจากดินน้ำลมไฟที่ทำก่อตัวให้มันมีรูป ม, มีรูปกายนี่นะแล้วมันก็มีเหตุที่ทำให้มันดำรงอยู่ได้เนี่ย มันมีอยู่สี่อย่างซึ่งเป็นพื้นฐานที่คนทุกคนต้องรู้นะถ้าเราเรียนรู้ชีวิตเราว่าคืออะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิชาพื้นฐานนะที่เราอยู่ได้มีสประการคือกรรมนะอันหนึ่งกรรมกรรมเป็นธรรมชาติที่ทำให้เกิดรูปขึ้นเรียกว่ากรรมชะลูกได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายนะความเป็นหญิงความเป็นชาย และชีวิตรูปอันนี้กำเป็นตัวทำให้เราเกิดร่างนี้ไอ้ตัวที่สองคืออุตุอุตุก็เหมือนอุณหภูมินั่นแหละเป็นธรรมชาติที่ทำให้เราเกิดรูปขึ้นอุตุคือความร้อนเย็นเรียกว่าอุตุชรูปได้แก่รูปที่เกิดจากความร้อนและรูปซึ่งเกิดจากความเย็นความร้อนทำให้รูปเกิดขยายตัว ความเย็นทําให้รูปหดตัวในร่างกายเราถ้าวันไหนความร้อนมันเยอะนะเมื่อคืนแก้วทิพย์ไปเป็นไข้ตัวร้อนแต่พวกเราเป็นไม่เรียกไข้หรอกมันกําลังปรับสมดุลอยู่เมื่ออากาศเย็นปุ๊บร่างกายเราปรับไม่ทันเนี่ยใช่ไหมร้อนปุ๊บเพืเช้ามามันก็หายนะมันปรับสมดุลถ้าวันไหนธาตุน้ํามันเยอะกว่าเนี่ยพวกเราก็เป็นหวัดอันนี้นะอันนี้คืออุตุนะ อันที่สี่คืออาหารอาหารเป็นธรรมชาติที่ทำให้เราเกิดรูปขึ้นเรียกว่าอาหารชลูปซึ่งต้องอาศัยโอชาคือรสชาติและคุณค่าของอาหารที่รับประทานเข้าไปมันทำให้กายภาพนี้มันอยู่ได้สำหรับทารกที่อยู่ในคันมารดาเมื่อบรรดากินอาหารเข้าไปโอชาแผ่ซึมทราบ เข้าสู่ร่างกายของทารกทําให้อาหารชะลูปเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาติดต่อกันไม่ขาดตราบจนวันสิ้นชีวิตนะสอย่างนี้เนี่ยทให้อีรูปกายเราเนี่ยมันดำรงอยู่ได้นะทีนี้ไอ้รูปกายหรือสลีลากายเนี่ยจะเชื่อมโยงกับนา ม, มากายหรือทิพยากายต้อง อาศัยธาตุทั้งหเมื่อกี้นี่ธาตุสี่นะธาตุสี่ทำให้รูปกายเกิดขึ้นนะแต่ถ้าจะเชื่อมโยงกับข้างในก็ต้องเป็นเป็นธาตุหนอกจากดินน้ำลมไฟแล้วเนี่ยที่นี่ทางภาษาวิชาการเขาก็บอกว่าหนึ่งธาตุดินสองธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วก็อากาศธาตุนะและวิญญาณธาตุ ถ้าขาดวิญญาณแล้วเนี่ยความมีชีวิตเกิดขึ้นไม่ได้ตอนนี้ร่างกายเนี่เห็นไหมเราตายใหม่ๆเนี่ยตอนเราตายใหม่ๆไม่หายใจละทำไมคิดไม่เป็นทำไมไม่รู้สึกเห็นรูปกายมันยังอยู่นะแต่วิญญาณมันออกจากร่างไปแล้วความมีชีวิตไม่มีแล้วแต่กาย น, นมันยังอยู่นะนอกจากวันใดวันหนึ่งมันย่อยสลายไปเอาไปเผา ก็กลายเป็นอากาศธาตุที่เหลือเป็นธาตุดินธาตุทั้งหกนี้เป็นแม่ธาตุของธาตุทั้งหลายมีอยู่ทั่วจักรวาลแต่และอย่างมกีกระแสติดต่อกันหมดธาตุทุกชนิดมีอยู่ในร่างกายของมนุษย์และสัตว์โดยพ้อมูลธาตาุต่างๆเชื่อมโยงติดต่อกันทั้งภายใน และภายนอกร่างและจำแนกออกเป็นสามจำพวกคือในธาตุหนี่นะในธาตุทั้งหอย่างนี่ทำให้กายภาพข้างนอกเนี่เชื่อมโยงกับข้างในได้ที่พยากายสรีราดเชื่อมโยงกันต้องอาศัยธาตุทั้งหกนี้นะเดี๋ยวพะ ก, กูจะเรียงเรงเรียงมาก็มันก็ไปตรงกับทุกวันนี้ที่เราปฏิบัติอายทนะวิปัสสนากรรมฐานนั่นแหละ ทีนี้ไอ้ธาตุทั้งหกนี่ก็แบ่งเป็นจำแนกเป็นสามพวกใหญ่ ห, ญหนึ่งเขาเรียกว่าธาตุรับธาตุที่เป็นตัวรับอันนี้ธาตุรับมีหอย่างอันที่สองธาตุกระทบธาตุกระทบที่มีหน้าที่กระทบภาษาเราเนี่ยก็มีหอย่างแล้วก็อันที่สมธาตุรู้ธาตุรู้นี่ก็มีหกอย่าง นะในตัวเราหนะกสามสบแปดกลายเป็นสิบปดธาตุถ้าเราไปอ่านวิชาการเขาเพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเขาขยายจากพวกนี้ให้มันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นลเดียดขึ้นที่พ่อ ก, กูบอกว่าสิ่งนี้เรารู้ก็ได้ไม่รู้ไม่เป็นก็ไม่เป็นไร๋ต่เมื่อมีคําถามมาพ่อครูก็เอาเฉพาะไอ้ตัวที่มันสําคัญสําคัญให้เรารู้หลักมันแค่นี้ก็พอนะธาตุรับเนี่ยหอย่างนี้คืออะไรได้แก่ธาตุภายในร่างกายเราก็คือ อายตนะภายในเนี่ยคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าอายตนะหกอันนี้มีหน้าที่รับรับผัสเขาตีเราเรารู้สึกเจ็บนะอันนี้คือผัสสะเขาด่าเราเราได้ยินเสียงที่เราได้ยินถ้าเรานอนหลับสนิทเนี่ยเห็นไหมเด็กมันร้องไห้ทำไมเราไม่ได้ยินเห็นไหมตอนนั้นอ่ะใครใครหลับ วิญญาณที่หูไม่ทําหน้าที่แต่ประสาทหูเรายังดีๆอยู่ทําไมเราไม่ได้ยินเห็นไหมนะเมื่อวิญญาณเราตื่นอยู่เราก็ได้ยินเสียงนะโดยที่ยินเสียงนั้นคืออันนี้ก็เรียกว่าธาตุรับมีหน้าที่รับนะมีหน้าที่รับส่วนธาตที่เรียกว่าธาตุกระทบก็มีหกอย่างอันนี้เป็นอยนายจนะภายนอกคือรูปประธาต สัทธาธาตุเอาเป็นเอาพูดภาษาบาลีเอาเป็นว่ า, า, า, า, า, ร, า, วารูปเสียงกลิ่นรสกระทบภาษาที่มันกระทบภาษาของกายเนี่ยนะอันนี้แล้วก็มารู้อารมณ์ที่ใจอย่างเ้าด่าเราเนี่เสียงนี้คือจริงๆแล้วคือรูปตัวได้ยินเสียงคือน า, นา ม, มันเกิดมันก็ดับเห็นหมมันเกิดก็ดับแต่ทีนี้สติเราไม่ทันเราไม่เห็นตอนมันดับ รูปเกิดปุ๊บมันด่าเราปุ๊บเนี่ยเวทนาเกิดทันทีเลยนะมารู้สึกที่ใจเวทนาเกิดอยู่ไอ้สัญญามที่เราบันทึกไว้ว่าเราไม่ชอบถูกด่าเนี่ยมันวินมันเกิดความไม่พอใจขึ้นมาสังขารเกิดมันก็ปรุงแต่งแล้วว่าเธอด่าฉันฉันเสียเปียบไม่ได้ฉันต้องด่าเธอคืนภายในหนึ่งวินาทีนะเราเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่อันนี้ก็วิญญาณเกิดอันนี้คือระบบขันห้ามนะเนี่ยคือเป็นธาต อันนี้เป็นธาตกระทบนี่เราดับมันไม่ได้เพราะมันมีอยู่ตามธรรมชาติเราเราห้ามไม่ให้มีเสียงไม่ให้มีรูปไม่ให้มีรถไม่มีอันนี้ไม่ได้มันเป็นอยู่ตามธรรมชาติที่เราฝึกนี่คือเอาแค่เรามารู้เท่าทันมันนะมารู้เท่าทันมันกระทบปุ๊บดับกระทบปุ๊บดับรนะูปเกิดดับรูปเกิดดับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เกิดนะ ขันห้าปรุงแต่งต่อไม่ได้ปฏิสมุรบาทขับเคลื่อนไม่ได้วัตะสงสารก็หยุดนะทีนี้เมื่อกี้นี่พูดถึงาธาตุรับาธาตุกระทบและอันที่สมคือาธาตุรู้หอย่างนะาธาตุรู้หอย่างได้แก่าธาตุที่เป็นกระแสะแห่งความรู้สึกก็หนึ่งจกักขุญญญวิญญาณาธาตุนะโสตวิญญาณธาตุ คานาวิญญาณธาตุชิวหาวิญญาณธาตุกายวิญญาณธาตุมโนวิญญาณธาตุก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะมันแฝงด้วยวิญญาณต่างๆวิญญาณที่หูเรียกว่าโสตะวิญญาณวิญญาณที่อยู่ที่ตาเรียกว่าจักษุวิญญาณวิญญาณที่อยู่จมูกเรียกว่าคานาวิญญาณที่ต้องมีกลิ่นนะนะอยู่ที่ลิ้นเรียกว่าชิวหาวิญญาณอยู่ที่กายภาพนีเรียกว่ากายวิญญาณนะมันต้องลิ้นกันอย่างนี้นะ จากอุจจาระภายนอกกระทบยาภายในที่เรารับรู้สึกเนี่ยเหมือนเรามีเลด่านะเรามีตัวรับข้างนอกเนี่ยหอย่างมีตัวรับนะรับสิ่งที่มากระทบเราลมพัดมาเราก็รู้มันกระทบภาษาเราเห็นรับรู้ที่กายเนี่ยมันก็ต้องส่งมาให้มโนวิญญาณอ่าเหมือนเหมือนเรานอนหลับสมมติว่าเรานอนหลับสนิทเด็กร้องไห้เราไม่ได้ยิน เว่าเรากืงหลับกื่งตื่นเราได้ยินแต่เราไม่รู้ว่าเสียงอะไรนะเราได้ยินแต่ว่าเสียงเราต้องส่งไปให้มโนวิญญาณที่อยู่ที่ใจไอ้กล่องบันทึกโปรแกมถ้าตัวนั้นมันตื่นอยู่เนี่ยอ๋อเด็กชายแดงมันลองเราบันทึกเป็นภาษาไทยแต่ถ้าเราเป็นฝรั่งบอกมิสเตอร์เรดไอ้เด็กเป็ น, เ, ปนเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษไอ้ตัวรู้จริงๆมันอยู่ข้างใน นี่คือขบวนการทำงานของวิญญาณหกนะมีอิจตนะภายนอกหกคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วก็กระทบอารมณ์ที่ใจหกข้างในตัวรับผัสสาตัวนั้นคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะแต่ถ้าแค่นี้การรับรู้ไม่เกิดขึ้นถ้าวิญญาณไม่ทำงานนะไอ้ธาตุรู้คือวิญญาณทั้งหกเนี่ยนะ วิญญาณที่ตาวิญญาณที่หูวินทานที่จมูกวิญญาณที่ลิ้นวิญญาณที่กายแล้วก็วิญญาณตัวใหญ่อยู่ที่ใจไอตัวนั่นแหละเป็นตัวกล่องบันทึกโปรแกรมตัวรู้ว่าอะไรจริงๆนะเหมือนเด็กคนหนึ่งยังไม่ไปโรงเรียนเขายืนอยู่หน้าบ้านมีรถเก๋งสีแดงคันหนึ่งวิ่งมาเขารู้แต่ว่าสิ่งหนึ่งวิ่งมาเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรสีอะไรเขาไม่รู้เห็นไหม เพราะว่าเขาไม่มีบันทึกสัญญาเนี่ยนั้นเขายังไม่รู้ว่าอันนี้เรียกว่ารถเก๋งนะอันนี้สีแดงสีเหลืองเขายังไม่รู้เขารู้แต่ว่าสิ่งหนึ่งวิ่งมาเห็นไหมมันรู้ด้วยประสาทที่มันรับผัสตรงนั้นวิญญาณที่ตามมันก็ทําหน้าที่แต่มโนวิญญาณมันไม่มีกล่องบันทึกสัญญาบันทึกความรู้นั้นมันก็สักแต่ว่าเห็นมันไม่มีความรู้สึกว่าอยากได้หรือไม่อยากได้เพราะมันยังไม่มี สัญญาบันทึกว่าถ้ามันมันโตแล้วมันรู้ว่าเอ้ยมันชอบสีแดงพอคุณพ่อซื้อสีเหลืองให้รู้สึกไม่พอใจเห็นหมพอใจไม่พอใจมันเกิดจากเราบันทึกสัญญาความรู้มันสร้างความอยากอันนี้คือกระบวนการทำงานดูโครงสร้างเรากว้างๆก่อนเดี๋ยวพักูก็จะลงไปว่าไอเอกขันห้าเนี่ยมันทำหน้าที่อะไร ก็อินยานธาตุเป็นกระแสแห่งความรู้สึกคล้ายกับกระแสไฟฟ้าทำหน้าที่เชื่อมธาตุต่างๆภายในกับภายนอกทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่าผัสสะหรือสัมผัสเช่นสัมผัสทางกายคือรูปเป็นความรู้สึกสัมผัสทางใจเป็นนามนะก็แยกเป็น สองอย่างใหญ่หญคือลูป ก, กับ น, นามเท่านั้นเองทั้งจั ก, กรวาลที่นี้ถ้าเราปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติดินน้นวงไฟข้างนอกเนี่ยเชื่อมโยงกับ ข, ข้างในของเราเนี่ยเชื่อมโยงกับข้างนอกให้เป็นหนึ่งเดียวโดยเฉพาะแรงเหวี่ยงที่เราหมุนเห็นไหมเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันหมุนเบาๆเหาะไม่ได้ไหมเมื่อเราหมุนเร็วๆปุ๊บเนี่ยมันแบกก้อนเหล็กเป็นพันกิโลเนี่เหาะได้เลยชั้นใดก็ชั้นนั้นถ้าจิตเรามีแรงเหวี่ยงมาก เราปรับสมดุลของดินน้ำลมไฟให้เป็นหนึ่งเดียวและเป็นหนึ่งเดียวไม่ใช่เพราะข้างในนะเป็นหนึ่งเดียวกับดินน้ำไฟข้างนอกด้วยเนี่ยนั่นแหละคือวิชาตัวเบาเราจะห่อได้เราจะลอยได้เพราะข้างนอกดินน้ำลมไฟข้างในมันเหมือนกันถ้าเราสามารถทำให้มันเป็นหนึ่งเดียวระหว่างข้างนอกข้างในเนี่ยไม่มีน้าหนักเนาะก็ ที่เราทำอยู่เนี่ยเราก็อยู่กับขันห้ า, เร า, เ, า, เ, ราเราอยู่กับเราเราอยู่เราาลังทำสิ่งนี้อยู่ทีนี้เมื่อกี้พูดถึงรูปขันนะนี้เวทนาขันคือธรรมชาติที่เสวยอารมณ์เป็นทุกเรียกว่าทุกขวเวทนาเป็นสุขเรียกว่าสุ ข, ขวเวทนาหรือเฉยเฉยเรียกว่าอุเบกขาวเวทนา เวทนาเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการสัมผัสของอายตนะภายในและภายนอกกระทบกันอันนี้แนหะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เทวดาทําไม่ได้เทวดาทุกข์มากที่ต้องเสพสุขอย่างเดียวไปสร้างกรรมดีไปหลงความดีนั้นก็ไปเสพสุขอย่างเดียวนะเพราะเทวดาไม่มีกายไม่มีอายตนะ นะก็กระทบผัสสนี้ไม่ไดนะ้ก็เจริญมหาสติปัฏฐานไม่ได้สัญญาขันธ์คือธรรมชาติจดจำอารมณ์เช่นจำรูปจำเสียงจำรสจำสัมผัสจำธรรมลมนะไอตัวตัวสัญญามันมีหน้าที่จดจำ ที่เมื่อช้าพ่อครู ก, ก็ก็คุยกับญาติธรรมกลุ่มหนึ่งว่ายี่สบกปีมาอยู่ที่นี่เนี่ยสมองสีกดสายพ่อครูยังจำได้ว่าพ่อครูเคยสูบบุหรี่วันหนึ่งสามสี่สองเคยกินเหล้าทุกยี่ห้อศีลห้าบอกไม่ให้ทำอะไรทำหมดอาหารจานโปรดตอนอยู่อเมริกานคือทีบงสเต็กแต่ตอนนี้พ่อครูจำอารมณ์นั้นไม่ได้จำรสชาติมันไม่ได้ คือเมื่อเราล้างสัญญาแล้วมันก็จำไม่ได้และความอยากมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะนี่หละผู้เจ้าทึงบอกให้ขัดเก่าจิตให้ผ่องใสไงขัดเก่าอะไรขัดเก่าสัญญาเหล่านี้แหละนะไม่ใช่เราลืม้ะมันยังอยู่อยู่แต่มันไม่มีผลสาหรับเราแล้วนะไอ้ตัวที่ไปหลงมันตัวที่ไปยึดติดมันเนี่ยมันไม่มีแล้ว <c oughs> ทีนี้อันที่สี่สังขารขันคือลักษณะธรรมชาติปรุงแต่งทางกายวาจาใจได้แก่กายสังขารคือการปรุงแต่งร่างกายให้เป็นเพียงรูปวจีสังขารคือการปรุงแต่งทางวาจาให้เป็นเพียงเสียงพูดมโนสังขารคือการปรุงแต่งอารมณ์และความคิดนึก ให้เป็นแต่เพียงอารมณ์ทางใจเท่านั้นอันนี้สังขารมันมีหน้าที่ปรุงแต่งนะมันเป็นปรุงแต่งวิญญาณขันนะคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ทั้งหนะรู้อารมณ์กระทบภัสสะทั้งหจากทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจนะนีะ่นคือวิญญาณขันแล้วก็มีความคิดนึก ทีนี้วิชาการเขาสรุปว่าได้แก่จิตซึ่งตัวนี้พ่อครูบอกแล้วว่าถ้าพูดจิตเฉยๆมันไม่ได้ผิดนะแต่มันจะไม่ชัดเจนเพราะคำว่าจิตเนี่ย เ, เขาเอาวิญญาณนี้ไปว่าจิตพ่อครูหลายปีก่อนเขาเชิญไปบรรยายธรรมอะไรที่จังหวัดหนึ่ง มีครูบาอาจารย์ท่านมาแลกเปลี่ยนกับพ่อครูข่านขอแลกเปลี่ยนท่านก็แสดงปฏิสมุดบาทท่านบอกอวิชชาทําให้เกิดสังขารถ้าสังขารไม่เกิดจิตวิญญาณไม่มีพ่อครูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพระอาจารย์เดี๋ยวอย่าเพิ่งผ่านให้พ่อครูพูดหน่อยหนึ่งนะถ้าจิตไม่มีใครเป็นคนคิดปรุงแต่งใครเป็นคนมีอวิชชาหรือเห็นไหมจิตกับวิญญาณนั่น เหมือนเราบอกว่าหูเพราะครูถามคุณหมอคนหนึ่งเขาสเปเชียลไหลายเรื่องหูมาจากมุกดาหารคุณหมอมันรุดเราใช้อวัยวะตรงไหนได้ยินคุณหมอตอบเลยหูเพราะคูบอกไม่ใช่คุณหมอท่านบอกว่ามันไม่ใช่ได้ยังไงเพราะคูพิสูจน์ยังไงเห็นไหมคุณหมอชีวิตนี้คุณหมอเคยมีประสบการณ์อยู่เวลาคุณหมอนอนหลับสนิทเลยลูกร้องไห้ทําไมคุณหมอไม่ได้ยินบางคืน หูคุณหมอก็ยังดีอยู่ประสาทหูยังอยู่ไม่ได้ไปทำลายเลยทำไมไม่ได้ยินเห็นหมคำว่าหูเนี่ยมันรประกอบด้วยประกอบด้วยใบหูประสาทหูติ่งหูแล้วก็วิญญาณหูด้วยวิญญาณหูด้วยมันถึงรวมขันว่าเป็นหูทีนี้วิญญาณในทีน่นี้วิญญาณขันถ้าแปลว่าจิตแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าใจผิดว่าจิตก็คือวิญญาณวิญญาณวิญญาณเป็นแค่ส่วนหนึ่งของจิตเท่านั้นเอง หมือนหูเนี่ยนะถ้าหูเป็นกายภาพมีอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ยินมันต้องบวกวิญญาณหูไปด้วยนะเหมือนมโนวิญญาณเนี่ยที่อยู่ที่ใจเนี่ยนะทำให้หัวใจเต้น เ, นเห็นไหมคําว่าหัวใจเราเนี่ยถ้าครูบาอาจารย์ร้อยปีที่ผ่านมาวัดสายวัดป่าเนี่ยท่านภาษาภาษาโบราณเนี่ยท่านบอกว่าใจใจใจใจของท่านหมายถึงจิตนะรวมกับจิตด้วย ทีนี้บางคนก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะพ่อครูบอกจิตทําไมครูบาอาจายุคที่ผ่านมาเขาบอกว่าใจ น, นั่นแหละคือท่านหมายความอันเดียวกันนั่นแหละแต่ภาษาเปล่งออกมาเนี่ยมันจะทําให้เราเข้าใจผิดทีนี้พ่อครูก็ถามว่าทําไมบอกจิตหลุดพ้นดวงตาเห็นธรรมทาไมไม่บอกว่าใจหลุดพ้นดวงตาเห็นธรรมจิตใจภาษาไทยเอาคําว่าจิตกับใจมาปนรวมกัน จริงๆแล้วมันคนละอย่างนะนะคือไอ้ใจตรงนี้คือก้อนเนื้อก้อนหนึ่งเนี่ยที่มีหน้าที่ปั๊มเลือดลมหล่อเลี้ยงร่างกายแล้วเป็นโกดังเก็บอารมณ์แต่ที่มันทำงานได้มันแฝงด้วยมนโนวิญญาณด้วยนะมนโนวิญญาณเนี่ยทำให้มันมีมีหน้าที่ขับเคลื่อนปั๊มเลือดลมปั๊มเลือดลมหล่อเลี้ยงร่างกายได้ทำให้หัวใจมันเต้น แต่ไม่ได้จบที่มโนวิญญาณด้วยในมโนวิญญาณนี่มันมีจิตอยู่ข้างในวิญญาณทั้งหกนี่เป็นพลังงานของจิตนะแต่ทีนี้เขาภาษาเขาก็บอกว่าวิญญาณแปลว่าจิตมันเหมือนถูกแต่เดี๋ยวเราจะเข้าใจผิดนะคำว่าใจเห็นไหมคำว่าหูเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องกายภาพอย่างเดียวมันมันมัมันรวมกับวิญญาณนะวิญญาณอยู่ที่ใจเรียกว่ามโนวิญญาณอยู่ที่หูเรียกว่าโสตะวิญญาณอยู่ที่จมูกเรียกว่าคานาวิญญาณอยู่ที่ตาเรียกว่าจักษุวิญญาณคนตายใหม่ๆปุ๊บวิญญาณออกจากร่างเนี่ยมองไม่เห็นไม่ได้ยินหัวใจก็ไม่เต้นบางคนตายแล้วฟื้นเห็นไหมวิญญาณออกไปเที่ยวกลับมาใหม่เลยฟื้นเลยก็ได้ใช่ไหมทีนี้ภาษานี่บางที ถ้าเราเห็นไม่เปล่งภาษาออกมาอาจจะเข้าใจไม่เหมือนกันเข้าใจถูกทีนี้ทําอย่างไรล่ะเราต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์เราต้องเข้าไปวิจัยเข้าไปสัมผัสมันจริงๆเราถึงแยกได้ว่าโอ้หนะใจก็คือใจจิตก็คือจิตแต่มันอยู่ด้วยกันอย่างใกล้ชิดจนแยกไม่ออกเลยนะแต่ถ้าเราฝึกจนถึงขั้นหนึ่งเรามีอภิญญาจิตจิตมีอภิญญาแล้วนะ มีมีพิญญาถึงขั้นเราจะรู้เลยว่าให้จิตกับใจเนี่ยคนละส่วนกันคนละส่วนตรงที่หัวใจมันเต้นเนี่ยมันอาศัยวิญญาณที่หกคือมโนวิญญาณซึ่งเป็นพลังงานอย่างหนึ่งของจิตวิญญาณตัวนี้อยู่ในปฏิสมุทบาทวิญญาณตัวนี้เป็นวิญญาณขันมันเกิดดับถ้าสังขารไม่เกิดวิญญาณก็ไม่เกิดจริงๆเหมือนเรานอนหลับ เห็นไหถ้าเราไม่คิดปุ๊บวิญญาณก็ไม่เกิดนะสังขารทำให้เกิดวิญญาณตัวนั้นเป็นวิญญาณขันมันเกิดดับแต่จิตไม่เกิดไม่ดับโดยเฉพาะถ้าเข้าไปจิตถึงได้ว่าเข้าไปถึงกายที่สามคือธรรมกายไม่ใช่วิชาสอนมันเป็นชื่อเรียกของไม่ใช่กายทิพย์ด้วยนะกายทิพย์นี่เป็นแค่ทิพยากาย ที่เราถอดกายทริแเราก็ไปเที่ยวเตยอะไรเนี่ยอันนั้นยังไม่ใช่ธรรมกายนะมันยังติดอภิญญาอยู่จิตไม่เกิดไม่ดับนั่นหละคือธรรมกายเมื่อเรารู้ขันห้าในเชิงวิชาการทางศาสนาแล้ว คำถามต่อไปว่าจะดับขันห้าได้อย่างไรคำตอบง่ายๆคือขันห้าดับไม่ได้เพราะมีอยู่ตามธรรมชาติเพียงใช้สติปัญญารู้เท่าทันไม่ให้ขันห้าปรุงแต่งได้รูปเกิดแล้วก็ดับรูปเกิดแล้วก็ดับสุดท้ายคำว่าผู้เจ้าเนี่ยดับขันปรินิพานนั่นแหละต้องถึงขั้นเวลาเราละสังขาร น, นี่เนี่ยเข้าสู่ปรินิพานไปแล้วเนี่ยต่อไปล้วก็ไม่ต้องมีขันห้าอีกแล้ว แต่ตาบบยที่เราอยู่กับมันเนี่ยดับไม่ได้นะฆ่ามันทิ้งมันก็ตายใช่มแต่เรามีสติมีปัญญารู้เท่าทันมันใช้ขันห้าทำหน้าที่นะคือมันดับไม่ได้มันมีของมันอยู่ตรงนั้นแหละถ้าจะดับคือดับความยึดมั่นถือมั่นที่เราไปหลงมันนะ ดับที่จิตไม่ใช่ไปดับที่ขันห้าดับความยึดมั่นถือมั่นที่จิตเราไปหลงขันเพระเขาตีเราหน่อยเธอตีฉันทำไมมึงตีกูทำไมนี่ตัวกูนะมึงขโมยของกูไปทาไมเไม่มีตัวกูก็มีของของกูนะอันนี้คือเราหลงมันนะเราหลงมันนะขันห้ามีประโยชน์นะเทวดามันไม่มีขันห้า ถึงทุกข์มากต้องไปเ ส, สียบฉุกจุดนั้นหละใช้กมดีขันห้ามีประโยชน์ถ้าเราไม่มีขันห้าเราเราก็ทำหน้าที่เดินทางไม่ได้นะเห็นไหมคำว่าดับขันในที่นี้เป็นภาษาพูดเหมือนว่าเหมือนคำว่าอายาตนะนิพพานอ่นละอายาตนะภายนอกเราก็ดับมันไม่ได้มันมีอยู่เห็นไมเออมันก็มีของมันตามธรรมชาติ อญญายนณะภายในหกของเรามันก็มีอยู่ไงและคําว่าอญญายนะนิพานคืออะไรไม่ใช่ฆ่ามันตายนะไม่ใช่หูหนวกตาบอดไม่ได้ยินอะไรเนี่นะถึงจะไม่ได้ยินกระชั้นตีก็รู้สึกเจ็บไงมันก็ยังทํางานอยู่ใช่ไหมทีนี้ที่อญญายนะนิพานก็คือว่ามันไม่มีผลสําหรับจิตเราแล้วนจิตเรา มันตายจากความยึดมั่นถือมั่นกับอายตะนะนั่นแล้วเวลาที่เหลือเราก็ใช้อายตนะตรงนี้ทำหน้าที่นะทีนี้ขันห้ามันเกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้เท่าทันอายตนะนะที่บอกว่าดับขันห้าได้ยังไงพวกคุณบอกเหมือนกิเลสเหมือนกันผู้เจ้าไม่ได้บอกให้เราดับที่กิเลสนะดับที่ตัณหาทุกสมุทยนิโรธมรร อะไรคือตัวทุกข์อะไรคือเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์ก็คือตัวตัณหานะตัวสมุทัยคือตัวตัณหานะนิโรธคือสภาวะที่ดับทุกข์มรรคคือหนทางมุ่งไปสู่การผลนทุกข์นี่คืออริยสัจสิ ท, ทีนี้ดับที่ตัณหาดับอย่างไรเห็นดับที่ตัณหาคือต้องรู้เท่าทันกิเลเพราะกิเลสคือที่มาของตัณหา ปัญหาทำให้เกิดอุปทานอุปทานก็ทําให้เกิดทุกข์เมื่อเรารู้เท่าทันกิเลสนะรู้เท่าทันอารมณ์อยากจากกิเลสเนี่ยเห็นไหมมันเกิดปุ๊บเราก็รู้ปุ๊บมันก็เกิดมันก็ดับถ้าเรารู้เท่าทันมันเห็นไหมปัญหาก็ไม่เกิดอุปทานก็ไม่เกิดทุกข์ก็ไม่เกิดไม่ได้ดับที่กิเลสกิเลสก็ดับไม่ได้กิเลสมันคือความเคยชินของเราเรากินข้าวเป็นกิเลสของคนไทยเรา เพราะหลังกินขนมปังเป็นกินเลสของเขาถ้ากินตามกิเลสเนี่ไม่มีปัญหาถ้ากินเพราะตัณหาล่ะมีปัญหาเลยมันจะใส่เจตนานะอุ้ยมันอร่อย ก, ก, กินกินกินกลังอร่อยอยู่ขาดสตินะพอคนแย่งไปปุ๊บเนี่ตีกันฆ่ากันเลยเห็นไหมแต่ตัณหากเกิดขึ้นจากกิเลสนั่นแหละเรากินหวานบ่อยๆเราก็ติดหวาน แล้วก็ติดหวานเราก็อยากกินหวานพอได้กินหวานอุปทานก็เกิดรู้สึกมีความสุขเห็นพอเขาแย่งไปปุ๊บทุกก็เลยเกิดถ้าเรารู้เท่าทันในยตนานี่ขันห้าก็มีรูปเกิดแล้วก็ดับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขับเคลื่อนต่อไปไม่ได้ที่เราฝึกทุกวันนี้แหละ สักแต่ว่าได้รู้สักแต่ว่าได้ยินไม่พิจารณาไม่ตัดสินแก้วเมื่อกี้ก็ถามไว่าญาติธรรมบอกบางคนว่าหลายหลายแห่งเราก็สอนว่าต้องรู้สิอย่างพ่อครูหลายปีก่อนเป่งออกมาบางทีกินข้าวอยู่พ่อครูเค็มไหมเออไม่ดูจะรู้ไปทําไมอยากรู้ก็รู้ได้ก็ใส่เจตนาไปลิ้มรสมันแต่คนเขาฝึกสติว่าไม่ได้ต้องรู้สิเค็มก็รู้หวานก็รู้เปรี้ยวก็รู้อร่อยก็ต้องรู้สิอันนั้นคือฝึกสติไม่ได้ผิด นฝึกอยู่ตรงนั้นแหละฝึกอยู่นั้นแหละฝึกอย่ น, น, อยนั้นลิ้มรสอยู่ตรงนั้นแหละเห็นไหมทําไมรู้ว่ามันอร่อยแล้วยังกินอยู่ล่ะออ่ะอร่อยต้องอย่า ก, กินสิถ้าคุณฝึกจิตอร่อยคือกิเลสไงรู้เฉยๆว่าเรากินข้าวไม่ต้องไปลิ้มรสมันหรอกอันนี้เขาเตือนสติว่ารู้เออพอมีเรื่องอะไรขึ้นว่า ทุกอย่างเป็นใ น, นิจังทุกขั้งนะตามไม่ใช่ของเราทุกอย่างหนึ่งช่างหัวมันเถอะโอเครอดตัวถ้าเราทำได้เวลานั้นเราก็เราก็แค่ไม่ทุกแต่ยังไม่พ้นทุกนั่นคือเจริญสติไงไม่ใช่ผิดนะรออักชอบอยังไงก็ทำไปก็เจริญสติอยู่สามสิบแปดปีสี่สิบปีแล้วยังเมื่อกี้บอกว่าผู้เจ้าบอกเราไม่สร้างเดือนอีกต่อไปไงออกไปสร้างเดินทาไม ก็เจริญสติงไงมันเหมือนคิดบวกนั่นแหละคิดบวกเออไม่ใช่ของเราหรอกเรารู้อยู่แล้วทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอ น, นันวิปัสสนึกคือเตือนสติแต่ไม่ใช่ผิดนะบางครั้งเรายังมีอารมณ์อยู่ก็เตือนเถอะแต่ไม่ใช่จบอยู่แค่นั้นเราต้องเข้าไปสะสางไอ้เชื้อที่ทำให้มันมีอารมณ์นันออกมา ต้องเข้าไปถึงกล่องปัญญานั่นคือแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแต่ตอนนี้พอไปติดมันติดติดแล้วเนี่ยเราไม่รู้ตัวนะคล้ายๆมันดีอะไอ้ความดีนั้นถ้าไปติดเมื่อไหร่เนี่ยเป็นความชั่วร้ายอย่างยิ่งนะติดอะไรก็คือไม่ดีติดก็คือหลงติดไงติดก็คือไม่ดีศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้เราเป็นคนดีศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้เราเป็นคนชั่ว เป็นยังเป็นอัตตาไงทุกอยู่นะพอเขาว่าเราไม่ดีก็ทุกอยู่ชั้นดีชัน้นดีนะศาสนาพุทธสอนให้เราทําดีทําแค่พอดีอย่าไปติดดีแล้วก็ละชั่วแล้วก็ขัดเกลาจิตให้ผ่องใสสอนให้เราพ้นทุกข์ไม่ใช่ไปเพิ่มสติเพิ่มสมาธินะตัวนั้นไม่ใช่ผิดเป็นอุบายวิธีแต่ธรรมประมาเป็นหลงอุบายวิธีเมื่อหลายเสาพวกครูก็เคยบรรยายเรื่องนี้ มีครูบาอาจารย์ที่ท่านฝึกพุโทโธมาหลายปีท่านก็บอกว่าหลังจากฟังดูยูทูบไปปฏิบัติเองท่านบอกวันนั้นคืนนั้นนะจิต <c oughs> จิตมันเกิดอาการแปรปวน <c oughs> หมุนแรงมากคล้ายๆจะหลุดโลก ท่านบอกวินาทีนั้นท่านกลัวมากท่านก็มาจับพุทโธมาจับที่พุทโธปุ๊บอารมณ์นั้นก็ผ่านก็รอดตัวแต่ท่านเดินทางมาถามว่าครูแล้วต่อไปทํำยังไงไม่ปิดแล้วไงเพราะเราฝึกนานๆเรามีแตะเกาะเดี๋ก่อเกาะใช่ไหมพอมีอะไรก็เกาะมันก็ปลอดภัยในเวลานั้น แต่เราเดินต่อไปไม่ได้เราไม่รู้ว่าจิตมันกําลังดิ้นเพื่อมันจะดลุดพน้นเราก็พลาดโอกาสแล้วเพราะกูก็บอกท่านว่าไม่ใช่พุโทโธไม่ดีนะครูบาอาจารย์พอกูเองสายวัดป่าเนี่ยก็พุโทโธเหมือนกันหลวงปู่มัน่นแต่ว่าเป็นกานเบื้องต้นท่านก็ไปติดหลายปีพอท่านวางปุ๊บมันก็หมุนไปทั่วร่างกายเลยนั่นคืออาณาปณสติเนาะพรา ก, กูบอกถ้าไม่มีวันนั้นวันนั้นที่ท่านมายึดพุดโทโธเนี่ยท่านก็ไม่มีวันนี้ แต่ถ้าวันนี้ท่านไม่วางพูดโทเน่ยก็ไม่มีวันข้างหน้ามันเป็นแค่อุบายเป็นแค่เทคนิคเหมือนเราเตือนสติตลอดเวลาเอาสินมาบังคับด้วยให้อย่าทำนันมันจะผิดสินนะก็ไม่ได้ผิดก็เป็นการเตือนสตินะแต่ใช้วิธีนั้นน่ะพอถึงวันที่เราจะตายเออเราเราก็ต้องเตือนนะให้ตายก็ไม่เที่ยงอะไรก็ไม่เที่ยงหรอตายเถอะตายเถอะบางทีมันมันเข้าใจมันไม่เข้าจิตมันทําไม่ได้นะ มันห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สินจลินทานเจ็บปวดมากมันทําไม่ได้อันนั้นวิปัสสนึกคิดบวกนั่นแหละมากบเกิือนคิดลบจริงๆแล้วเราต้องแก้ที่ท้นเหตุว่าไอ้เชื้อที่ทำร้ายให้เราคิดลบนั่นไปล้างมันออกมาหมดซะแค่ไม่ต้องคิดลบก็ไม่ต้องคิดบวกนะอันนี้ก็คือคนเรามันใช้อุบายอุบายดีหมด ไม่ใช่อุบายให้มันเป็นโจรผู้ร้ายเมื่อไหร่อุบายดีหมดแต่ถ้าเป็นหลงติดอุบายเมื่อไหร่เนี่ยแอะต้องระวังผู้เะากหยาบประมาทนะเราทำอะไรเคยชินนานๆานานมันก็ไปติดมันโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคนจีนเขาพูดคำหนึ่งสื้อเจียนฉางจิวเปี้ยนชื่อยานนะเวลาผ่านไปเนื่นนานเนี่ยกลายเป็นธรรมชาติของเราแล้ว กิเลสคือความเคยชินแล้วเราแยกแยะไม่ออกเลยว่ามันใช่ไม่ใช่นะก็คาถามต่อไปคือจิตคืออะไรจิตคือสิ่งจิตคืออะไรเนาะ <c oughs> จริงๆแล้วจิตคือสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่รูปแล ะ, ะนามเราพูดไม่ได้ว่า คืออะไรแต่สามารถเข้าไปสัมผัสได้ด้วยตนเองที่พรเจ้าเป็นปัจจตังเวทีตพวินยูหีเป็นสิ่งที่รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนถ้าเราพูดว่ามันคือน้นคืนนี่ปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่จิตมันพูดไม่ได้มันไม่อยากจนใช้ภาษาพูดทีนี้เห็นไหมเมื่อกี้พ่อกูพูดถึงเรื่องขันห้าตรงวิญญาณขันเนี่ยเขาบอกว่าเป็นจิต แล้วก็อยู่ในนามธรรมาวิญญาณขันนั่นเป็นนามธรรมาวิญญาณมันเกิดดับแต่จิตไม่เกิดไม่ดับมันไม่ใช่นามไม่ใช่รูปพูะเจ้าบอกว่ามันคือสิ่งสิ่งหนึ่งถ้ามันเป็นนามธรรมาเนี่ยสิ่งนั้นคืออะไรถ้านามธรรมามันต้องไม่มีแล้วใครเป็นคนเวียนไายตายเกิดถ้าจิตไม่มีแต่วิญญาณนั่นมันเกิดดับ มันเป็นนามมาทำแต่จิตไม่ใช่ น, นามไม่ใช่รูปมันเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่มันมันไม่ใช่ น, นามไม่รูปต้องเดินกลางๆลางนามรูปเป็นคนเราขั้วแต่จิตมันไม่ใช่นะนี่แหละหมายว่าถ้าเกิดเราไม่ระวังแล้วเนี่ยผู้เจ้าทั้งหมดอยากพิ่งเชื่อตำลาพอพูดปุ๊บมันอยากไปแต่ไม่ใช่ผิดนะไอไอวิญญาณขันนะ่ะนะ มันไม่ใช่อ ย, อยู่อยู่กับจิตอย่างเดียวนะมันก็อยู่กับร่างกายทั่วไปหมดเลยอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ที่ใจเนี่ยเป็นมโนวิญญาณไอ้พวกนี้เป็นวิญญาณขันมันเกิดตับถ้าถ้าเราไปศึกษาสายมหายสายแถวมหายานเขาเนี่ยเขาไม่ได้สอนเรื่องวิญญาณหกนะเขาสอนเรื่องวิญญาณแปดน่าน่าสนใจมากแต่บังเกินพวกครูไม่ได้ติดใจ ของเราวิญญาณทั้ง6ใช่ไหมวิญญาณที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจแต่วิญญาณเจ็ดนี่เขาเรียกว่าถ้าเป็นเป่งเป็นภาษาไทยบอกอันนี้มโนวิญญาณเขาเรียกมนัดวิญญาณมนัดวิญญาณอยู่ในจิตสานึกมโนวิญญาณอยู่มโนวิญญาณเนี่ยมันเป็นวิญญาณหกมันเกิดดับเป็นวิญญาณขันแต่มนัดวิญญาณนั่นอยู่ในจิตสำนึก อริยวิญญาณนั่นอยู่ในจิตใต้สำนึกไอ้ตัวนั่นแหละเป็นตัวกล่องบันทึกโปรแกรมเป็นตัวเวียนไหายตายเกิดสองตัววิญญาณตัวนี้ไม่เกิดไม่ดับตอนนี้เถียงกันศาสนาพุทธเหมือนกันแต่ความเชื่อต่างกันแต่มันไม่ใช่สาระอะไร เราไม่ใช่เกิดมามาวิจัยภาษาพูดว่าคนภาษาคนไหนถูกภาษาคนไหนผิดเราเกิดมาเพื่อเดินทางต่อนะมันพูดไม่ได้ว่าจิตคืออะไรมันคือสิ่งสิ่งหนึ่งพุทจ้ามันคือสิ่งสิ่งหนึ่งถ้าเป็นนามธรรมเนี่พูดอย่างนี้ไม่ได้แต่สิ่งสิ่งนั้นน่ะไม่ใช่รูปหยาบหยาบที่เราจะแตะต้องได้เอาเทคโนโลยีไปถ่ายไม่ได้จับต้องมันได้ แต่เราสามารถไปสัมผัสมันได้เห็นไหมคําว่าจิตเห็นจิตคือมรรคเห็นไหมจิตส่งออกคือสมุทยัยผลของคางส่งออกคือทุกข์จิตเห็นจิตคือมรรคผลของจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือนิโรธคือจิตปัจจุบันเนี่ยเข้าไปสู่จิตเดิมของเขาแล้วก็เป็นกระแสมากแล้วแล้วก็เรียนรู้กับเขาเขาก็สะสารคดีความทั้งหมดนะ เมื่อเขาระเบิดอัปตาเขาทิ้งเข้าสู่สุญญาตานั้นนั่นแหละคือธรรมกายจริงๆเข้าไปสู่กายซึ่งเป็นธรรมชาติเดิมของเขานั่นแหละคือจิตเดิมแท้เป็นพระพัฒสอนเด็กเกิดมาปุ๊บร้องไห้แย่ yeah! อันนี้เรียกว่าจิตเดิมเหมือนผ้าขาวผืนหนึ่งแต่มีจุดด่างจุดหนึ่งอยู่ข้างในกระแสะกันอันนี้เรียกว่าจิตเดิมพอเขาตั้งชื่อให้เราบนชื่อบัญชานะ แล้วก็ใส่ความรู้ให้เราเนี่ยระบายสีระบายสีระบายสียสไอ้ผ้าขาวผืนนี้กลายเป็นจิตปรุงแตง่งปรุงจากขันห้าเราเนี่ยตัวสังขารมันปรุงแตง่งจากเติมจากเขายัดเยียดความรู้ให้เราแล้วก็อยากรู้เราก็อยากรู้แล้วก็เสริมเข้าไปแล้วก็คิดตามความรู้ของเราก็ปรุงแต่งไปเรื่อยๆผ้าขาวผืนนี้ลายไปหมดเรียกว่าจิตปรุงแตง่งทีนี้ผู้ยาก็ไปตัดสู้สิ่งนี้ ไปหาวิธีขัดเกาจิตให้ผ่องใสเอาผ้าขาวไปซักไปอะไรๆๆๆเนี่ยนะสูตรนี้เนี่ยพระจุลบันถุบรรลุสูตรนี้นะพระจุลบันถุนี่โง่ามากในทางโลกจําอะไรไม่ได้สวดมนต์ก็ไม่ได้จําไม่ได้หมดนะจะศึกแล้วอยู่เป็นภาละาศาสนาเออไปอยู่กับหลวงพี่ที่บรรลุอลหรหันต์แล้วนะผู้เจ้าเห็นว่าราจิตเนี่ยไปเดินขวางไว้นะ ดูก่อนจุลปันถกท่านจะไปไหนท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านเป็นคนไร้ความสามารถใช้ไม่ได้สอนให้ทำอะไรไอ้ท่องจาอะไรก็จาไม่ได้เลยท่านท่านจะสึกพบพร ะ, ะทุกองมอบผ้าขาวให้ผืนหนึ่งบอกกลับไปกุฏิเนี่ยเอามือลูกผ้าขาวเนี่ยพุทธการถ้าเจอพุทธเจ้านี่บรรลุครึ่งหนึ่งแล้วละ่ะนอกจากกรรมมากเหมือนเทวทัตนะนะบุญมีต่กรรมมันบงังอันนั้นช่วยไม่ได้ แค่นี้ก็ป่าปลื้มก็เป็นเอามือหมุนผ้าขาวนะนั่นะนี่คือภาษานะของเราใช้เสียงนะเนี่ยภาษาใครจะทำอย่างนี้ก็ได้นะดรืดอรอตีอย่างนี้ก็ได้มันจะดึงระหว่างข้างนอกกับข้างในมันจะเกิดแรงหมุนขึ้นจิตมันหลุดพ้นจากตนนั้นนะ่ะพระจุลปันทกนี่บรรลุธรรมอ๋อจิตเดิมแท้เป็นพระพัฒนสอน ม่เกลียดก้นด้กิเลสตัณหาอุปาทานมันก็เปื่อนพระเจ้าต้อ ง, งบอกให้ขัดเกาจิตให้ผ่องใสแค่นี้ก็เป็นอรหันแล้วไงคนโ ง, โง่โง่อ่านอะไรก็ไม่รู้เรื่องัรรูุอรหันต์แล้วตอนนี้ยึง อ, อ่านเยอะๆไม่ใช่อรหันต์นะเป็นหมูหันกันหมดมันเป็นไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างไม่เกี่ยวข้องกับอายตนะคุณจะไปตั้งชื่อทฤษฎีนั้นทฤษฎีนี้ก็ช่างนะเออ คว้านออย่างเนออันนั้นคืออริยบทบับมันเกี่ยวกับภาษานั่นแหละนะพุทโธเนี่ยยาวก็รู้สั้นก็รู้อนาปสตรีนั่นอันนั้นคือกลิ่นอากาศนั่นคือหายใจคือกลิ่นกระทบจมูกปัสสะเออสั้นก็รู้อ่ถ้าวันไหนมันมันฟลุกนะมันยาวก็รู้ไปชนหัวใจมันก็เกิดแรงหมุนนะมันก็เดินทางต่อ แต่ถ้าบังเอิญมันไม่ฟุกสักทีหนึ่งกี่ปีมันก็อยู่ตรงนั้นได้เจริญอนุสติมันเป็นอุบายวิธีมันคือกลิ่นนะเนี่ยบำปชิตไม่เสพส่วนสุดตรงสองส่วนระหว่างข้างนอกกับข้างในนะถ้าเราแบ่งอายตนะอายตนะภายนอกคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์อายร่าภายในคือตาหูจมูกลิ้นปะกายใจแต่อายราภายในเราแบ่งเป็นสองส่วนข้างนอกห้าข้างในหนึ่ง ข้างนอกคือตาหูจมูกลิ้นกายกระทบผัสสะมันจะไม่รู้อารมณ์ที่ใจนี่คือขบวนนการทำงานของวิญญาณหกถ้าเราเข้าถึงตรง น, นั้นแล้วเนี่ยเอาอะไรมาพิจารณาก็ได้แต่แต่อย่าสุดตรงข้างนอกนะถ้าอยู่แค่ลมหายใจตรงนี้นะ่ะสุดตรงข้างนอกไปติดที่กลิน่นถ้าเราฟังเสียงเหมือนกันบางคนชอบดนตรีเนาะฟังลื่นเลิศกับมัน ก็ได้ความสงบชั่วครู่เวลานั้นเราก็เลิกคิดแต่เราสุดตรงข้างนอกมันไม่เกิดพลังเหมือนมิสเตอร์หูเนี่ยเป็นเพื่อนเรามิสเตอร์ใจก็เป็นเพื่อนเราเราคือจิตบังเอิญว่าเราหลงกับไอ้ใจมันอยู่ตลอดชีวิตแล้วสุขใจ ส, สุขใจดีใจดีใจมันก็ติดใจทีนี้เราช่างเสียงมากระทบหูโดยธรรมชาติวิ ญ, ญญาณที่หูเนี่ยมันจะส่งกระแสมาให้มนุวิญญาณวิญจาณถ้ามันสนใจมันก็วิ่งไปรับรู้อีก อสองคนนี้มันทะเลาะกันเราวิ่งไปเยี่ยมในหูเฮ้ยในหูบอกอยู่กับฉันในเพลงเพราะเพราะเราไม่เข้าข้างในหูเราวางตัวเป็นกลางในใจบอกนี่สุขใจสุขใจเธออยู่กับฉันมาตลอดชีวิตนะมันก็ดึงมาอยู่ในใจตอนนี้เราไม่หลงกับในใจละเราไม่เข้าข้างในใจบอกอย่าทะเลาะกันมันก็ดึงเราไประหว่างหูกับใจดึงไปดึงมาเนี่ยเกิดแรงเหวี่ยงขึ้นนี่คือมัชชิมาปฏิปทานี่คือทางสายกลาง แต่ถ้าเราไปกดอยู่ตรงนั้นกดอยู่ตรงนั้นมันสุดตรงเพียนแต่ว่าเด็กๆไปยึดตรงนั้นเพื่อให้มันลืมความคิดเฉยๆมันก็สงบชั่วครู่แต่ปัญญามันไม่เกิดนะคือว่าธรรมะผู้เจ้าแสดงที่ไหนก็ช่างมันลิงก์กันได้หมดอ่ะโดยเฉพาะแนวที่เราปฏิบัตินี่ยมันไม่มีแนวไงต้นชั่วโมงกลางชั่วโมงปลายชั่วโมงเราเองคนเดียวในจิตดวงเดียวเนี่ยมันเปลี่ยนทั้งหลายอารมณ์เห็นไ้ยล่ะ บางทีก็มันก็พิจารณาขันห้าบางทีพิจารณาัาณะบางทีพิจารณาอริยบทบับเคลื่อนไหวบางทีระลึกชาติไปจ่ายหนี้กรรมเห็นไหมจิตมันจะฉลาดใช้หมดเลยไม่ใช่ไปจิตบ่วงวิชาใดวิชาหนึ่งไปเพ่งไปกำหนดตรงนั้นแหละอันนั้นเป็นสอนเด็กๆนะก็ก็ให้เข้าใจนะก็คำถามต่อไปการปฏิบัติสิ่งที่เกิดขึ้นในจิต จะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่เห็นเป็นจริงหรือไม่จริงพราะครูพูดเรื่องนี้มาหลายปีพูดทุกครั้งเราเห็นจริงๆเลยเห็นจริงๆเลยแต่สิ่งที่เห็นมันไม่จริงมันเป็นอุปทานของจิตนะโซนารลึกชาติก็ช่างเราเห็นจริงๆไงมีครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าท่านเห็นท่านนั่งเลยท่านลงไปในโลกจริงๆนะเห็นลงไปในโลก เห็นเขาต้มเห็นขึ้นต้นยิ้วเห็นไมท่านเห็นจริงแต่สิ่งที่ท่านเห็นมันไม่จริงจิตมันเป็นทริปจะเอาไขรไปต้มหรือจะเอาใขรไปขึ้นต้นยิ้วหรอคือจิตเดิมเขาสร้างนิมิตให้เราเข้าใจอารมณ์นั้นว่าเธอทุกข์เหมือนเธอถูกต้มเธอทุกข์เหมือนเธอขึ้นต้นยิ้วเพราะหลังไปเห็นนรกเขาก็ไม่เหมือนเรานะเราเห็นนรกเพราะเรา เคยมีข้อมูลตรงนี้มันไม่ได้เป็เสียหายนะเราเห็นจริงแต่สิ่งที่เราเห็นนั่นมันไม่จริงเขาสร้างนิมิตเพื่อให้เราเข้าใจอารมณ์นั้นแล้เราดึกชาติเราเคยเป็นน่นเคยเป็นนี่เป็นจริงๆริงไงอดีตเป็นจริงๆไงสมว่าจริงๆเลยแหะแต่ตอนนี้มันตายไปแล้วไงมันเป็นอนัตตาไปแล้วไงแค่เราเห็นว่าเรายิ่งใหญ่มาแล้ว มัน เ, เป็นอะไรมาหมดแล้วเนี่ยจิตปัจจุบันนี่หลงไหมถ้าไม่หลงเธอผ่านได้เนี่ยเห็นจริงไม่ต้องพิจารณาหรอกว่ามันจริงหรือมันไม่จริงไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างจริงมันผ่านไปหมดแล้วมันเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปแล้วอย่าไปติดนะโดยเฉพาะอภิญญาต่างๆเนี่ยถ้าจิตปัจจุบันมันมีกิเลสเนี่ย ใครๆก็ติดเียเรื่องอะไรไม่ติดน่ะคนเดินมาเห็นหมดเลยเป็นกระดูกเห็นอดีตกรรมเขาเห็นนนทนเห็นนี่แล้วไปทักทายกันเนี่ยระวังนะตัวเองหลงไม่พอจอะทำให้คนอื่นหลงนะต่างคนต่างทำก็ที่พูดมาทั้งหมดความรู้ทึงเป็นวิชาการเหล่านี้เนยไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะ แต่รู้ก็ไม่เป็นไรรู้เป็นแนวทางแล้วก็วางซะปฏิบัติเยอะๆเจ้าชายสิทธัตถะไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกเลยมีแต่อ้างพระองค์ไม่เคยทําตามพระองค์เลยไงพระองค์ไม่เคยอ่านนะพระองค์ปฏิบัติก่อนลองถูกลองผิดอยู่หกพรรษาเมื่อตัดสลูทําเข้าสู่ปฏิเวทค่อยเอาสิ่งที่พระองค์รู้เขาเห็นมาบอกกล่าว เพื่อนฝรั่งเขาครูเขาไม่เชื่อว่าพระอนุนเป็นคนจดไว้กขาบอกนิทานปรหลังประาก็ไม่เป็นไรไงเชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเห็นไหมเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะมาวิจัยว่าพูดจริงไหมพ่อสอนไหนกันแน่แล้วก็ตายเสียชาติเกิดนะเราไม่ได้เกิดมาเพื่ออยากรู้อะไรนะเพื่อจะไม่อยากไม่ได้เกิดมาเพื่อจะดำรงรักษารูปแบบไหนจังนั้นแหละเราเกิดมาเพื่อเดินทางต่อเป้าหมายคือพ้นทุกข์ สถานเดียวผู้เจ้าไม่ได้สอนอย่างอื่นเลยนะมีผู้บาอาจารย์อวุโสนะเดินทางมาจากตา่างจังหวัดในอดีตนี่เขาคุยกันเล่นๆโอ้ยยุคนี้อย่าไปพูดถึงเรื่องนิพพานไม่มีหรอกทำบุญเยอะๆโนอนไปเกิดยุคพระศรีอานนเนาะผัดวันประกันพุ่งเพชรเมร็ดงามไม่เอาไหนะว้ผู้ดีเจ้าแต่ไม่เชื่อพระองค์ จะไปยุบภาษอ่านบอกไปแน่ๆข้ามยุปภิอ่านไปด้วยถ้าคิดอย่างนี้ไปแน่ๆถ้าพุทธศาสนิกชนเนี่ยเราปฏิเสธนิพพานเนี่ยเราไม่เข้าใจศาสนาพระองค์ไม่ได้สอนเรื่องอื่นเลยสอนแต่เรื่องอะไรคือตัวทุกข์อะไรคือเหตุแห่งทุกข์อะไรคือความดับทุกข์อะไรคือหนทางไปสู่การพ้นทุกข์ส่วนธรรมะปีกย่อยนั้นก็เป็นธรรมะระดับสมมต อยู่ร่วมกันอย่างสันติแล้สุดท้ายทําได้หรือเปล่าล่ะไม่ได้เพราะกิเลสมันแรงกว่าไงัยคือว่าถ้าเราไม่มีทิพยานเป็นเป้าแล้วเนี่ยหนทางเส้นนี้ไม่ง่ายที่มันไม่ง่ายเพราะมันง่ายที่สุดกิเลสมันไม่ชอบนะก็คําถามหมดละก็ ขอนิดนึงนก่อนจะปฏิบัติกันพ่อครูบอกสัตว์โลภไปตามกรรมบางคนเขาเองไม่ได้สร้างกรรมอะไรเลยแต่คนข้างตัวเขาสร้างกรรมเขาก็เดือดร้อนด้วยเขาบอกคือว่าทำไมเออกขาจริงนะพอพูดเรื่องนี้พ่อครูก็แวบเมื่อกี้นี้แวบสมัยพ่อครูหนูเป็นหนุ่มๆอายุยี่สิบสามปีพ่อครูเที่ยวชอบเที่ยวกับ ผัววุโสคนหนึ่งอายุเจ็ดสิบสามปีตอนนี้ท่านจากไปแล้วคือนายพลทรงขีมสีบุญเรืองต้นตระกูลสีบุญเรืองก่อนหน้านี้เป็นทหารจากเมืองจีนมาลบกองพลเก้าบสามบนนี้แล้วท่านไม่กลับตอนนั้นเป็นที่ปรึกษาพลเอกกิจศรีเวลาเราเที่ยวไหนขับเที่ยวบากันทุกคืนหันนี่ไหนรบนับคนเจ็ดิสามกว่าคนยี่สบสาแล้วครั้งหนึ่ง หลานชายท่านไปเปิดโรงแรมเชียงอินที่เชียงใหม่แล้วก็ขึ้นไปด้วยผู้อาก็มานั่งคุยเข้างงไว้เอ๊ะคุณบรรชากับคุณอาทำไมไปด้วยกันได้คุณอาบอกฉันลำคาญคุยกับพวกคนแก่อายุห้าหกสิบคุยกับบรรชาสนุกดีเห็นหทีนี้ท่านก็เคยเล่าให้พวกกูฟังเนี่ยท่านเป็นคนมีความรู้มากภาษาอังกฤษท่านนี่เก่งมากท่านบอกว่า มีคนจีนครอบครัวหนึ่งอยู่อเมริกาอันนี้เป็นมุกตลกของท่านนะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงวันหนึ่งเมียเขาคลอดลูกออกมาเป็นคนผิวดำผมหยิกๆยิบเขาก็ไปถามผู้ว่าการรัฐบอกว่า I อ l แพ t p o t a t ท I ต o t อ o t a t o I p l ท n t t o อ a t o I got tomato I อ l a n t Chinese, why I g พ t negro ว่าอกโ ฉันปลูกมันฉันก็ได้มันฉันปลูกมะเขือฉันก็ได้มะเขือทันไมฉันปลูกคนจีนฉันได้นิโกโรผู้ว่าการรัฐบอกไปถามเมียเธอเห็นไหมเขาไม่ได้สร้างกรรมเลยเห็นไหมเขาตั้งมั่นเขาทำอะไรเขาก็ได้อย่างนั้นแล้วตอนนี้เขาเขาปลูกคนจีนทำไมเขาได้ลูกนิโกรมันเป็นกรรมร่วงอย่าบองเรื่องชาติเดียว เราก็เคยทำเข้ามาแล้วล่ะทุกอย่างไม่มีบังเอิญอุบัติเหตุไม่ได้แปลว่าบังเอิญอุบัติขึ้นตามเหตุที่เคยสร้างมาสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเหตุเกิดผลจึงเกิดนะอย่าไปว่าทาไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้นน <c oughs> ดีที่สุดนะผู้เดินทางนี่เวียงไม้ทิ้งซะเพราะคูบอกให้พ่อครูพูดคนเดียวทำเลย ทำไมทำไมมันก็ติดบ่วงลังเลสงสัยนั่นล่ละเวียงไม่ทิ้งทำเลยตั้งมั่นศรัทธาทำทำไปมันถึงเมื่อไหร่ก็ช่างมันไม่ต้องค้ากำไรเกินควรเราสร้างกรรมมาหลายแสนกัปแต่ก็อย่าดูถูกตัวเองบุญบา ร, รมีเราก็มากมหาศาลเรามีสองด้านถ้าไม่มีบุญก็ม่ได้มาเกิดในร่างมนุษย์ผู้ประเสรศิฐไม่ได้มาเจอคาสอนที่ สุดยอดสุดยอดแค่ไหนพระกูถวายชีวิตไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่กว่าอย่างนี้นชีวิตเราหลงทางสีเวลามาหลายพบหลายชาติะผู้เจ้าชี้ทางให้เราพ้นทุกได้อยู่ที่ว่าใครจะเชื่อพระองค์แค่ไหนก็แลกเปลี่ยนกับหลายท่านนักวิชาการมาที่นี่บอกว่าเออเรารู้ทั้งรู้นะผู้เจ้าบอกความอยากคือที่มาของทุกเนี่ยทุกคนรู้นะเด็กๆ ก, ก็รู้นะ ทุกสมูทัยนี้โลดมักท่องจำไปสอบอรลียสัตตีเต็มนะก็รู้อยู่แล้วแลวแล้วทำไมสนองความอยากล่ะก็รู้อยู่แล้วความอยากคือที่มาของทุกงไงเห็นไหมมันเข้าใจไม่เข้าจิตสมองรู้แต่จิตไม่รู้กราบผู้เจ้าทุกวันกราบทุกวันแต่ไม่เชื่อพระองค์ไปเชื่อกิเลสมันก็ทุกสิ เหนไหมง่ายๆเห็นไหมง่ายๆคําสอนพระองค์ง่ายๆชี้ชัดเลยไม่ใช่เป็นศาสนาที่ว่าพูดแต่เรื่องทฤษฎีให้ไปหลงงมงายศรัทธาแบบงมงายไม่ใช่พระองค์พูดความจริงแล้วก็บอกวิธีพิสูจน์ด้วยเห็นไหมท่านจงมาดูเถิดปฏิบัติเถิดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราวตถาคตนะถ้าเป็นศาสนาเป็นศาสนาที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดไม่คุ้มถุงชน พร้อมที่จะพิสูจน์อีกอกี่พันปีข้างหน้าถ้าศาสนาพุทธนี่เปลี่ยนชื่อใหม่ก็ช่างแต่คำสอนพระองค์ยังอยู่ถ้าบังเอิญใครมีบุญเก่าเนี่ยจับแพ้จับภูเนี่ยเมื่อกี้นี่พ่อ ก, กูไปพูดเรื่องวิชาการเรื่องอะไรในฟังเนี่ยสี่สิปีพ่อคูวิ่งไปตามโลกพ่อ ก, กูไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยไงยังมันนั่งอยู่ตรงนี้ได้เห็นไหมเห็นไมไม่ต้องอยากรู้มากหรอกรู้มากทุกมากเป็นแค่ขยะ รู้แค่สังเขปเนาะฟังพ่อครูพูดก็เออเข้าใจก็ดีไปไม่เข้าใจก็ทิ้งอย่าไปเป็นขยะปฏิบัติถ้าอ้างพรุทธเจ้าต้องทําตามพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกเลยเพระองค์ปฏิบัติปฏิเวทปริญัตเกิดขึ้นทีหลังทุกวันนี้ความรู้เรามีแต่อ้างอิง ทำวิทยานุพลเนีต้องอ้างอิงคนนั้นคนนี้ไม่เคยกล้าประสบการณ์ตัวเองออกมานําเสนอสอบตกเพราะว่าไม่มีที่อ้างอิงแต่ปัญญาของจิตนี่มันไม่ใช่นะคือเราเข้าถึงก่อนถ้าเราจะอ้างเออเราไปอ้างกับคําพูดพระเจ้าเป่งออกมาเนี่ยเราพิสูจน์แล้วไงมันจริงนะเราก็มาสับสนคําที่พระ อ, องค์เป่งออกมาไม่ใช่ไม่เข้าไปเห็นมีแต่อ้างอ้า ง, างแล้วมานั่งทะเลาะ ก, กัน นั่งจับถูกจับผิดคนอื่นเนี่ยอันนี้ไม่ใช่คำสอนพุทธเจ้านะก็จำไว้นะบางทีเราไม่ได้สร้างกรรมแหละทำไมเราต้องรับกรรมมันเป็นกรรมร่วงนะปลูกมะเขือก็ได้มะเขือปลูกมันก็ได้มันปลูกคนจีนได้นิกโกรมันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะ ถึงจะเป็นนิโกก็ไม่ต้องเสียใจนะเห็นไหมในครอบครัวได้พันใหม่ขึ้นมาอีกพันหนึ่งเออกับดีสักอีกแต่ถ้าเราคิดว่าไอ้ตัวกูของกูนะคนอื่นแย่งไปฉันก็เลยทุกข์ฉันไม่พอใจนั่นหละคือเราไปหลงขันนั่นแหละนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่สักอย่างหนึ่งเป็นแค่สมมุติชั่วคราวนะเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายเกิดแก่เจ็บตาย ทีนี้แก้วทิพก์บอกสายที่เขาให้เตือนสติบ่อยๆทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ของเราสักอย่างหนึ่งช่างมันเถอะช่างมันเถอะอันนั้นก็เป็นการเตือนสติไม่ใช่ผิดก็เป็นการคิดบวกอย่างหนึ่งถ้าเราคิดได้เราก็ไม่ทุกในเวลานั้นแต่เรายังไม่พ้นทุกข์อันนั้นใช้เป็นบางครั้งแต่ดีที่สุดเมื่อเรา เราเคียคัดสะสางทั้งหมดเลยเนี่ยก็ไม่ต้องเตือนสติไงไม่ต้องเตือนเลยอะไรจะเกิดมันก็เกิดใช่อะไรก็ทำให้เราทุกข์ไม่ได้นั่นแหละคือแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุแห่งทุกข์นะก็วันนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะสุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณพระษีรัตนาไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในส า, นากลจักรวาล